เอาประกันเมือว่างโดยตามสถาบันปรมกาอส่วนทุๆคนก็มีไฟขอโอกสาสทำงานร่วมทั้งหลายใอ้ประกันนูซอว่าเม่า่ีประกันต่างไจฟังธรรมะทุกๆคนอย่ขอควางสงบระงับอย่าพ่ายในจิตความเจ็บของกำหนดตาม วันนี้เป็นวันจันมีบาตเทศการของพู้สบุตรสัตว์แลทั้งหลายคือเป็นวันเริ่มที่จะทำท่านษาเออนีน่ยท่านสาในวัด น, น้องพระโง o n e จะขพวกเราทั้งหลายสาธุชนทั้งหลาเป็ น, นท่านสาดีหรืบภพหลอบอยู่ทุกที รับพาสืบปรเื่อยอยู่นทุกที่เจตานต่อพรษาพุทธบริษัททั้งหลายทั้งสระเนี่ยอยาาร่วมทั้งหลายทั้งจังจังหวัดด้วยและแต่ทั้งจังอำเภอจังตำบลจางหมู่บ้านคือวัดหนองประโ ho เนี่ยเป็นวัดอยู่ศูนย์กลางของประชาชนทั้งหลายเป็นวัดสืบเด่นอยู่ในป่าแหง และราจองการข้อประพฤติปฏิบัติย่างใส่คิดพุทธศาสนาที่สุดขัางชักเนี่ยเนี่ยญาติย้อมเราทั้งหลายแล ะ, ะกระทบคือพือตาการว่นเข่าภาษาเนะในยน่ายษาหนี้ตลอดมา ก, การเริ่มข้อประพฤติปฏิบัตินี่คือออกภษาษาคนนี้ เอาพรรษาก็วดีก่อนีขอวัดปฏิบัติเมืองตันย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ทามน้ำกาลต่อพรรษาหนึ่งเมืองตันปฏิบัติลงก็เก่าขึ้นพวกฝรั่งเคยสงสัยเป็นสักเป็นคิดอยู่มาถามวันเขาถามว่าเอาพรรษาหนึ่งเมืขอวัดดีถึงกูเก่าหีอย่างไร ท่าน้มันจางเกาหินทั้งนั้ น, นวันออกก้อนสาแล้วปฏิวัติธรรดาท่รดาถึงยังจะให้ท่นสี่เขาไว้สิเข่า้ อ, ขอขาต่ขอก้ขอขาเก็บไปเรื่อยสิเนยังก็วนี้มันจางกันว่าไงบ้างวะนี่จะนาเขาสงใจซึ่อกันเขาจงใจขันสมืองขันยุ่ผมนาขยบ้านขนนัน้องถ้าบุญนี้มันฝรังพระฝระงังถึงเป็นกเขาสงใจ จะได้หายความเห็นเขาว่าคนในพันธ์เห็นนอกคือผู้ปฏิบั ต, ติปักหยาดจบโยมตามวันนอกวันหน้านั่นนี่ิจวัตรหลายอย่างเออยาวเกี่ยงแสงให้มันเต็มแบบเต็มที่มันอร่อยเต้นมันกระได้ที่นี่ตามภาษาหนึ่งไล่เ ร, ร, รื่อยไปเราตามภัษานี่งพยายามยกตรงสวัดินมากให้มันเต็มบริบูรณ์เพื่อตรวจสอบพาว่านมวานภาษาปฏิบัติอย่างหนึ่ง ออกานี no ่ปฏิบัติอย huh kind of ่างหนึ่งเขาสีห้งสีตาใจว่าขันโมรบกินน้าพ่านกินเหล่ามันบาปม่อไงขันโมระกินน้ำ่นมันกินมันบอบาบีสังกันวอกามื่อไงกันข้นไข่ห้าเป็ดกอกกินได้ขันให้กินกอดปลาหน้าที่ยุดไว้ว่ากอดกันสุรามยุดไว้เขาถือว่าขันดับะป็นน้พ่านกินเหล่ามันบาปขันโมระกินน้บาปเมื่องกัน ถ้ากันไปทุกดวงแม่แหละมันแม่นวนะหนะอืนี่แหละความจรึงมันอ า, าโโ ก, การเดือดโคลกบดีเดือดการบดเดือดเวลาอือความคิดทั้งหลายนี่ผัวหามเลยจะท่มไปท่ำอยู่มั่กัคิดอยู่ว่าเรื่อยนี้ผัวหามไปท่ำมั่งกับคิดคือเก่ามันอ่ะมีเรื่องมันตื้อให้แสดงการหนึ่งขณะเขาสงสัยทุกั น, กกนพวกเราทั้งหลายที่นี่ตื้อตาลมั่นขอพันสา พุชาวบริสัสต์เล่าทั้งนางทั้จเตรียมเนืเตรียมจอยจางเข่นแขงกขื่นจัดขึ้นมากง่ายขอวัดทั้งสะทังเนี่นทั้ทังโยมเล่าเป็นเวลาสามเดือนอืมนาวันสอบพรรษาในช่วงนีการถวายนำหมึกนามันนำข้าวเสียหินเสื่ยงถวายเสื่องสัตาบุชาถวายสาอาบน้ำฝนเออ เป็นผ่าจนำนำพรรษาเพื่อให้พระเจ้าพระสงฆ์ใส่บุรีโภคอุปโภค ร, รัดแจงไว้การจำพรพรษา เ, น, เนี่ยมันก็บ่แปรกันเท่าไรหรอกความัิตจำพรรษาดารูนี่เป็นดารูฝนอยากย้อมเล่าทั้งหลายข่อทําใหลทําหน้าแก่ไหลแกหน้าก่อนท่าไหลทํานหน้าตามภระเสด็จพรา พวกรลาของเงี้ยนเห่าผีสันจรไปมาเดินตรโรงสวัดไปตามาตาโรงตามไรตามหน้ามันแต่บได้ไปดูนี่เขาทำหน้าจมายความว่ให้นี่จะนี่นักการโยกไปถามมันสัดของว่านกเจ้านงง่างมันก็ย่งทักกันจำภาษาเนยมันยังมีสารมีเวลาถุกยิดพาโปรเจกเจอร์หวาเสียบลอยทหยาบท่านให้กันหน้าเขาแต่เวลานุ่นว่า เขาเหต เ, เรื่องหน้าเขาจาให้ลูกให้เขาปลอยไปอยับขั้นให้ขัานหน้าอยากขั้นแค่หน้าเขามนมีสีฟังแต่แกนจ้าวง่ายมากยังส้างการจำาษาในนี้หนูกิดพระพุทธเจ้ามาสี้ายใจวันนี้รตัดปชุมทรงเป็นว่าการ น, น, นีร่วกขวัญิไปทเไปทียวควัญําหาบ่อนใดบ่นหนึ่งติดจำภาษาหน้าอาวัตใดอาวาต น, นึงกล อ, อยู่การโคนสสามเดือน เพราะนันแหละเรืองเมื่อหากว่าเขายังอยู่ไม่ถี่อันใดสอประการตั้งอววรัตปฏิวัติจะไม่นนี่นั่นก่อนหน้าได้ดูฝนก็เร่านี่จนสิมาดูฝนเรื่องนั้นชาวบริสัทธตั้เรื่องนั้นบริสัทธ์ตามกันอย่งนั้นแต่ว่าขอพุทธขาบริสัทธ์เท่าทั้งหลายอต่พระการใสาใจวาวาในสมัยนี้หน่อ พุทธศาสนาของเขานั้นพกันซิลามต้องไปหลายผู้ปฏิบัติพุทธศาสนานั้นซิลามมากเออคิลามจนสมบูรณ์ชัดแจ๋เจ้าของบม่สูรณักขดเจ้าของว่ามันเป็นไปนอย่างไรอืมน่นตลอดผู้นันบถือพุทธศาสนาบริษัทฝายนอกและบริษัทภ่ายใน บริษัททั้งฝ่ายนก็คือผู้สมรเรณ์บริษัทฝ่ายทั้งนอกก็คือญาติโยมทั้งหลายทุกวันทุกเมื่อละในปัจจุบัน น, นี้หาญาติโยมญา่าทั้งหลายทีส่สมรเรณ์นในการรักษาศีลห่าศีแนแปดยังดีสุดะหาเลยยากเออหาเลยยาก พุทธบริษัทฝ่ายน่ายเสื้อสะอานุ่นที่มารักษาความยุ่ยากจงต่อขั้มังสอนของพระพุทธเจ้าในสารในญาติในสมัยนี้แต่ว่าธรรมขั้มตั้งสอนนั้นยังอยู่ศาสนานั้นยังอยู่ขั้มั้งสอนนั้นยังอยู่ความจริงนั้นยังอยู่ข้อประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทเราทั้งหลาย บ่าอุดดอกพุทธาพุทธศาสนานพุนัตือศาสนาน่นบอ่อุหลายโคตแกวิทยบมุสุซ่องว่าสกซ่องตามลักพณะศาสน า, น า, ดาเด อ, อมใส่ซื้อนับซื้อซื้อเสื้อซื้อเสื่อหาหารผมมีปัญญาเพาะว่านข้าสอนคือศาสนาสันติไเป็นของดึง ลุ่มลึกในสนิดหนึ่ง้าหาสัคนที่มีศรัทธานี่ยมาประพฤติปฏิบัติกันกระบือรักพุท ธ, ธาทาศาสนาพระศาสนาือธรรมะทั้ตั้งสอนมีให้ความอยู่เย็นเป็นจุกแก่พริัเราทั้งหลาทั้งกระทั้งเน่งทั้งหยาดทั้งย่อมทั้งย่มพวกมูเราทั้งหลายจ้องให้ความเยือกเย็นให้ความอยู่เย็นเป็นสุก ช า, ากว่าข้นทั้งหลายแล้วโบจากบริชจ ร, รณาก็บรรลุซึ่ว่าธรรมะอ น, นั้นให้ความอยาก เ, เานน ย, าย็นแก่ปราชชนเร า, าทั้งหลายวาความเป็นเียงนั้นเมืม่อบุคลคลเราทั้งหลายบ่มีความละอายแล้วบ่มีความกลัวจอกความกลัวความผิดทั้งหลายเท่านั้นแหละมั่นสีมี่งคล้มเหรือดดอนกระว้นกระว่ากิน อ่นที่กว้มรัวนี้คว้อ ม, อมลมายว้มธรรมตะบ้างทั้งหลายนั่นคือธรรมะที่ท ม, มันเกิดอยู่ยู่งวักรธรรมอันตรนาอย่างเจนขี้เกนขีของเจ้าของขณะความเป็นอยู่ของกุดปอกพุทธบริษัททั้งหลาย น, ะนั่นยิ่ง ม, มี้วามยนินเปีนยสไปพ่อสมกวนย่างไรก็าตามถ้าพุทธเจ้าการสอนศาสตร์ทั้งหลาย นี่รักสาคัญเนอท่านดีสมรรถาดีก็เดดีอันนี้พอจงไปฟั้างรายสั้งธันมมาท่านโมดีก็ได็ดของบดีแค่นี้เนี้ยโลายหรอกท่านดีก็ได็ดีนนท่านโมดี ก, ดดดกด็ด็ ด, ดของบมดีมันภาวนาดูรูนิเอ้อ ในภาษาหนูไห้เอาไปฟังวันหน้าบอกว่าท้านี้กะไนี้ถาำโดีกับอะของโมดีว่าตัวมือในภาษาหนูไม่ออทุกทุกคนคุณหน่อยคูณมมคือกั น, น, นให้าวาสักคนจะนอนกราบกับให้วาท้าดี้กับอะไรนี้ถ้ำโมดีกั้อะรของโมดี้ให้ฟังวันหน้าคุณตัวมือแา่พี่จะได้หน้าเน่ยมันจะไม่อ็นบอก ไหบ้างมีบทหนึ่งจากอยากย้อมทั้งหลายทุกๆคนเี่คอว่าของแข็งนี่ว้าวจะไปว้าเดินบนอือมันของู่ทหันัท่าอยู่ยังดูมันสีสว่างจะมยเบอกกันตาอยู่ข้างอบมือทีละอือเอาเรื่อยๆภาวนาคือภาวนาเลยท่าไมันไม่เรื่อยอือจนให้มันเขาใจมันเขาใจนี่ธรรมะหรือบปลาหรือมันสืท่ามวยดีดอกเพราะมันบวยเลยของมวย ขั้มของบนนี้มัก็ะไรของบนนี้มันที่เดหน้าขมตัวมั่ก็ะไรตัวเนี่ยมั้อีมั่งก็ะไรดีงมไปยามอยู่เนี่ยพรวนาทันหจักสองออย่าเยวแต่นศทุกข์ทุกเสียงผลมีข้างเขาสูพุทธศาสนาเอี่ขันนังมบนนี้เลยดนจสร้างจิันจเสริมเรื่อยๆก็ตาม สีมาสาบเสมาหวานเสมาลดนับหมกหนับม like well ้อนเสีมาแจ้งพี่ี่นสองสีมาสวดเปนอยู่แปดขึ้นเก่าขึ้นทิพยขึ้นตลอดทานจ่ากษัตริย์เราเออขันทัพโมดีจังสีมาสวดเ้่านั้มันก็ดีอือนะคนเจียงบอกว่าท่านดีมันจียงหรือขันทัดีแบบบูหาร์เจสวดบูาร์เอเวาบวหาร์เจวานางมันมันจะถึงผีบอดีแบบไปยทรงเสือมัน มันอยากปวดจริงถือบอดีเนี่ยพยายามันปวดมันอยากท่ำจริงถือบอดีบวเนียนเนี่ยพยายามันท่ำนางอยู่ตะบอนทิชชู่หน้าอยู่ยืนกันเจ็บบอลยืนสันนี่ยน่นเออมันก็ไรมันแค่ของดีเนตัวหันมันจะเป็นประโยชน์บัวหาขวดจะเป็นเจ็บจำหน้าเจ็บตอจำน้าบัวหาวดแต่ไม่ถ้ามันจัดบห้าขวดจะ้ายหรอก ตรวจว่าตัณฑใจท่านดีหรือดีท่านตัวไหนตัวตัวที่มีหนพันศาลจนนั้นมันเข่าใจต่มันเข่าใจแต่มันถืทํามันถืท่าดีได้มันถือ่อทาท่ำกลมตัวทั้งกายทํากลตัวทังว่าจามันเสียวเาโบดีโบงามทํากลมตัวทั้งใจนั่นเ ส, สวนึบโดยึดยึาเคยบาดกระไรกูนึงนี่เออ ลันใจมันหงุดหันใจมันเหินขันมันตึใจแล้วนั่นเลยเป็นเครืพ้นีิพ้นตัวมันสีบนี้พ้นดี้มันสีมากขึ้นมากขึ้นสมตสสะโพดเจ้าเป็นสอนว่าสัพพปาปัสสะอักรานังกุสสังตูปะสัมปัสสะสกิตตาปริโยตะปะนังปัญหาหัวใจภาษาสนาภาษาสาสนา ตามละพ่มตัวสัปปะปัสสนะอัตรานั้งตามว่าท่ำบาสทาั้งหลายอลู่ายก็ดีเลยว่าใจก็ดีเลยใจก็ ด, ด, กดีเอตังพุทธะขณนั่งอันนั้นเป็นทําสอนพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นตัวศาสนาะมันาน่นกับเขากันสัปปท่านดีมนนั่กับเจ้าดีทําตัวมักัจาหนึ่นงตัวขันว่าพรน้าพุทถสาวเ้ียมั่งกั ภาพทิศสิเป็นสัพพะปะปะจะมันกระดุดสิ่งมากใจเฮ้ามันสีละควมำตัวาสาลาโมทั้งหลายหมดม้วนละไปแล้วใหามันขึ้นมากอุตตรตูปั้งปท่าถางลาคว่ำตัวแล้วมันคว่ำอสวดเสือมามันก็เป็นบุญนเนกันตัวขึเฮ้าบริโภคเขาเ่าเฮ้านิ้วเขา่าอะ้ร ตาเราพอได้โคกเข่ากันไปแล้วมันก็สร้างหิ้วเนี่ยกต่สร้างหิ้มันกับที่แห้งเลยตัวมันบ่ยอยากอยู่มันแต่ที่แห้งการกระทั่งนตัวทั้งหลายมันกับบูดรยอนภายในใจของเจาของ้าใจบูดอนเนี่มันกับเป็นบุญเป็นกุศลภายในิดของเจ้าของมันกัจกันไปยงสั่นอ่ามีผลทีมาเกิดขึ้นมากเพราะเข้าใจเรื่องว่าถ้ามีอะไรนี้ ทตัวเด็ตัวหามันงชาติขาดขนมันเข่าใจขาดแต่มันบท่ามต้ตัวจะเสื่อลมันใสบังคาบนนี่มันกับบท่ามันมันเข่าใจแล้วขันหูจัดมีจัตัวมันคือบท่มตัวไหนนั่นหละมันหูจัดธรรมะันหูแล้วว่ามันเบียบว่าหูนี่ร้องไปทางเดีไ่ได้นเป็นหูแบบนั่นนั่นหูแบบค้นบ่หูขันค้นหูแล้วกัเจ้า แต่ ว, ว่ามาันจังเนนี่แล้วจังเงินค้นหูจักจัเงนินค้นปลาพืชจัเงนินค้นปลาชีวัดจังเงินใจเป็นบุญจังเงินใจหูจะเงนินใจเห็นันใจเห็นแล้วปลาชีวัดพอกันได้ย่้ไปฟาไปขืนสิ่งถี่มันบดีพองามดีนะั่นค้นคนหูบ่หูข้อมหูเนี่ยเฮีงบางสม่าเฮงบ่หูร้าย แห้งขี้ห่ายเอออ่าพนหูแล้วพับหูหูเนี่ยขี้ายจะแฝงจะัำครับคนไงเป t นนิดหน่อยเด่นก็เด่นนอยว่าเดนน่อยเ็ดเด็ก็ดน่อย้้าี้าคนนน่อยนนิดหน่อยเปนนอยแงหาพ่นหูเลยจะพิู้้ยแงหาหายพ่นตาบอดหายพนหูหัวอืออ่า ฉะนั้นพระพ็จะเจ้าคนบนชั้นเถื่อนฉะนั้นคนละขันข้นมาการไถมาตั้วใจนี่รักธรรมะสอนี่ว่าท่านดีก็เดีดีท่ชั่วก็เดีชั่ววางขั้นขึคนตั้วใจว่ายุคนี้จะที่นี้คนละคนจำดีก็บริสุนี้ก็คนทียั่ยโสบริสุทธิ์ดีนะคนเดียวเหตุผู้นจำหนึงก็ได้แต่ท่านหรือท่านดี ตอนเทีนท้าเหน้าเลี้ซ้ายเลี้ซ้ายตลอดเตาสตาทั้งหลายข้านีอยู่ใต่เว่าอาหลาข้ากามเมื่อคนนันันมขึ้นจเสือวันท่นึ่งว่าข้ามดีปนิมาานอันีกวางใส่ใจผู้ยวหอกมุเนี่ยโมึกษาธรรมะเจ้ือมันแต่นี้อันยู้ว่าท่านมีมันบดีนะขึเจเสือขไปขึ้มากแต่แล้วข้าบุญวันสามวันหนมนีซะ ไปแยกเน่าบ้านย่เนเขาเดินพวกาสรางโมดีจะดเขาได้ดีว่าันเศร้าหรอกว่าสันท่ำดีไปทําคโมดีต้อเอาหอกมันจะดีอยู่ขนาดเนี้ยมันใถ่บุจัดมันจะดีอยู่ห ร, นในใกกรอก ม, มันดีอยู่ขนาดใหญ่ดีอยอู่มันดีขนาดล่างคนั้งหลักคือผู้ถึงสัรมะคือเจริญใจเจริของมันโได้มากโมด้หมายเจ้าของเนี่ยเกิว่ามันโมดีใจของห้ามมันจะเป็นจังง มั่นหลงง่วงง่ายงวงเรื่องตามธรรมชาติความจริ ง, รงยังห้ามหายความมีควาสอบแก้ผู้อืน่นหือห้ามาวัตถุอันใดอันหนึ่งแก้ผู้อื่นด้วยน้ำใจใจจริงด้วยจตอนาองเจ้าของเดี๋ยวหายไปหรือห้าแนะนำสอนคนใดคนหนึง่งสอนให้เขาท่านดีบาือ เขาโบดีเขาโบฟังแต่เขาเสียงคืนแต่น่อยใจว่าเฮ้าท่าดีโบได้ดีบอกมันดีมันเป็นยังมันยัเสียงคู่คืดมันยังซานกรเทียมเป็นดอกตอมันเนี่ยมคือคนมุงจัดดีแต่เฮ้าตั้งสอนเขาดีเขาสะฟั ง, งก้อนเฮ้ากัการเรื่องของเขาจดเขาโบฟังก้อนเฮ้าการเรื่องของเขาจด เทากับเขารานอยู่บเาจะเสียันน่นใช่ไตัวก่อนพวกเขา้าตัวกับผู้อื่นทำตัวอ่ะเท่ากับบอกจะข้ออยู่บนเสาจะเสียันว่นใชไหมีหลตัวจะเสีี่ยแต่ดียนั่นเนียเอาข้อมีอย่างสีเหลี่เอาข้อมีในสังกะทำของเจ้าฟองทำดีเรียมันะดเสียไปใส่ทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีชั่วทำมาอันนี้เป็นของเตามอันนี้วเป็นของไม ั่านมายสุขุั้งทุกข้าวจะมายไหนจะตามอือจะหมายนี่ก็ตามอันสที่วงว่าแรีวกท่านนี่จะบรเชวรท่านนี่จะเป็นส้วจีนยูใปัจจุบันเดียวนีก็คือางเหือพวกคนมาประพฤติปฏิวัติท่านนี่จะดีดีท่าตัวจะดีัวท่าทั้งสองยังนี่ยังบรเชวรมระทุนไปใส่จยังนี่คั้วจียูในปัจจุบันอนาคตยังบวชมาถึง ย่บุหรี่ท่านดียิ่บุร่ท่าตัวมันจะทั้งงานมันกัสิท่านดีมันก็สิีคือเดียีแหละท่าตัวกตัวอยู่เงอนจาใจสะอาดนี่ดีกว่าสิ่ที้ง่งนี่ยากเกิดไม่นีเมื่อท่านดีมันกัสิ่ดีอยู่คือเตามันเมื่ท่าตัวกสิตัวอยู่คือเตามันควบดีควมตัวก็ารกระทั่การทั่มละพอหนี่มันไม่เสียเป็นไงอมเสียหนี้ไปยังว่าท่านอันนี้ท่านสมัยอยู่ทุกขังทุกข้าวทุกเปล่า ทุกสันทุกทุ่มขนทุกคน้คนจยนคน้คนลำข้นด้วยคนหน่อยคนใหญคนยันมีฝาในดงในเมื่อในหน้าวันไหนก็จังขํามนี่ยืนตอยู่เส ม, มอข้ามดีสิเดชัวไปโบนี่ํามตัวมันสิไดดีหนั่งจะเท็ดเ่อได้มันโมเป็ น, นไปข้าอันนี้สัน้นเพียงแย่กว่าข้ามเตาของเตาทางโบราณสมัย ของเจ้าเวลาสมัยของเจ้าท่านสมัยอืมน่ะทุกขังทุกข้าวทุกเวลารัตนธรรมของพระโพชเจ้าที่ท่านสอนก็ว่าเป็นเจนสุปฏิปันโนหรือเป็นสุภาพิตพูดออกมาแล้วแ ก, ก้ ไ, ไขบ่ใดมวยไขแก้ไขใดมันจะยังจะแก้ไขบ่ใดมันบม่มีอะไรแก้ มันจรงเนี่ยว่ามีเนี่ยแฉเนียไผ่ทุดเหลือก็จริงทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นมันมีเหนือสริงทั้งหลายตําสอนพระพุทธเจ้าอุท่านอันนี้ข้าสิดอันนี้สุภาพคิดอันนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์อออกมาจากความบริสุทธิ์เคื่องํานใจของกุฏิบริสัทธทั้งหลาย จังสาบกคนหรือพระพุทธเจ้าพอดีที่จิตอันบริสุทธิ์ถึงที่สุดท่านเรียกว่าสุภาสิษ์ที่มีท่านในบรญญัติแล้วในอุท่านในแล้วพวกมกทา่านแก้ไขพมืคือพวกกฎหมายธรรมดาข้าสุวันนี้กฎหมายข้าสุวันนี้สรองเลยแหละเราตาธรรมนูญ เัาจะตั anyway ้งเห็นว <healthcare> so <och> so ่าเราจะยุบลงตั้งเึงนว่าเราจะยุบลงเปลี่ยนไปแสไปตามสภาของคนนี่อันนี้มาตัดต่อแสไปเห็มันง่ายอันนี้มันงายนะเดี๋ยวแต่ปเห้มันตัดข่อแรไปเปลี่ยนไปเรื่อยมันเป็นจุผ้าสิทิ์เป็นข้ามขีดโมเนอแนนเป็นข้ามขี่โมเงเรื่องพุทธศาสนานั่นเป็นเรื่องของความจริง ลอยเฉพาะสี่เป็นปัจจังที่นคนเราปรเห็นอ น, นันก็เป็นปัจจังอยู่เสมออันนั้นก็เป็นเสีงบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะนั้นคนจะสอนจังผู้มีจุดเีดาษัญยาหยาบท่านจึงว่าละความชัว่แล้วก็เพือความรู้ถ้าละความทัวแล้วก็เพื่อความรู้ แต่นขั้วมีวะแต่ก็เกิดเป็นข้วงั้วมีอีกเป็นว่าแบบนี้ขั้วหน้าหางเป็นยังไั่เป็นขัตัวกับัวขวตัวยหันลยเป็นไฟหาเอาเนวาเอาเป้าซะเอาขั้วมีนั่นก่อนไา้วมีเอนิดอันตรายได้มียงหนล้วไหน้มีาัวตัวบนีจะายนลทุกยัหี้ ถ้าเห็พกคือโตก็ไมว eh ่าจะเขาอยู่นเนี่ยโตกะหันเนี่ยเขาบุคคลโตไอ้คนนี้คือโตไปเป็นผาพวกคนนีอยู่หันแล้วหันไปมาเนียเป็นเกล็ดจยงหมื่นมือเจ้าของให้มันทากันอยู่หันนี่พวไปทั้งไหนแล้วเคยเห็นผระเห็นเนืนเคยเห็นยาดเห็นยอมจควานพวกใครนี่จิ้นหาจิ้นแฉกพวกใครเห็นโตดในกานตะพืตนทว่าสาล่าโมกหรอกมาฟังเสี็ดซ้ำๆเนียเห็นหากเห็นดำเห็นโสดในสิงคโปมันตื่นกัน เจ้าดสดน่ามีอกมีใจายบาเดนมเพื <pas> ่อเสรสร้างครอบครัวเดี๋ยวนี <active Status> <sa> ้จะครอบดี้าอันนคบดีเนี่ยบานลงครอบนีางเ้ไปชสายตามครอบดีให้ครน่ยบ้านไปเทีรดเนี่ยบ้นหาเทียคนนั้คนนี้จะสรงอะไรก็ไปเทีเขาสร้างะมือนี้จะให้เขาเลยดีคิดีบานี่เทียดารนี่ัญชาตว่าดีตะเจียทหารเนี่ยปฏัทาได้ัเนยอนะว่าชาวเป็นบาเด้เพราะว่า มันจะเป็นว่าจะไหเพราะว่าดนว่กูเป็นว่ามึงเป็นว่าอยู่ันบพอได้เีมันหวงคว่มดีดอกนย่พระพทธเจ้าพูดว่าการใดคว่มดีเดเจ้านี่แอืไป่ต่ควมดีนี้ไปอ่ผาดเป็นผาดมันเลยนะอือกดคว่ดีเ็กว่างบ้ยเคว่มด็ไมอืพเจ้าบาน่ยืนเงาควมดี้บานระบ้วบันันนี้ีกบุบานันนี้คว่มัวกบัตถุทุกข์นี่เว่ามันี แล้วอยู่เนื้อวิเนื้อตัวคนเนี่ยแล้วอยู่เนื้อถูกเนื้อคิดคนน้นนี่ยอยู่เนื้อเกิดเนื้อตายหรือเไปหันอะไรทบ้านเียอันนั้นข้ามสอนที่พระศาสนาสอนน้าออกมาจากคิดอันันอืนั่นนะจึงผทุกผนอยา่ผคน้ำาปผลีผลชัวเมื่อคิดมันสุ่มข้องในดีในชัวในทุกในทุกเนี่ยมันเป็นโลกี่ที่สเออมันเป็น่างน้ดว แต่นดีกไปิดุนแบบว่านี่ก็ว่าไงห่วงดียุหัน้มันกทุกข์ส่นตัวละนะ่ถ้าพนจะเจ้าคนสอนจนจบสอนจนจบจนสิ้นการเได้จบอย่าีตัวกับว่เอาดีกบว่าอยู่เนื้อยืนเนื้อตัวอยู่เนื้ิดนื้สื่อเยหรือเพิรงติ่อเออคิดอันนั้นมันเป็นโรคพุทราชคิดมันเป็นโรคพุราชคิดเป็นคิดของความผพนานเป็นคิดของผวบกบดบวลดบลุงเป คิดผีพวกโมแกโมเจโายโมทุกโมทุคนละมันเาไหร่ยังากรเข้าสังหรษาเรเห็นเ่อไ่ออกปอบาอืมนี่ลูกศิษยว่ามันถือพ่อเนี่ยฟัดลูกเลี้ยงี่ว่ามันถืพอนี่ฟัดลูกนึงแนีันไงมันพ่อห่วมันเห็นแ่งว่าไรเยไปหอเปานี่องคนศิหาใให้มันเตีเนเตมเตี้ยิษยหาใจให้มันเตี้มันว่าว่า เตโมเนออก่อเข้าแม่่อพ่อเจ็บหน่อยกว่าม่ชื่อพ่อพ่อเจ็บกว่าอ่มันของเตี้ยโมเตียนของพ่อบมเตีนค้อมยากยากเอมยากเนี่ยยากนี่ยมันเป็นพ้อยากอือเชนยนี้ก็โอมันแสนฟ้าหก็ทอมันมันใหญ่กัวใหญ่ทั้งหลายคยากถึงจะงอมโมเต็นจะง้นมันบพ่อเตี้ยโมเตียนพ่อบมเน ว่าเสียไปร้ามาส uh, ั่นใจมันเศร้าซุกเศร้าหยาดเศร้าลำบากนี่สบายแฮนเออนั่นคือมันพ่อเปลนเรื่องพ่อเปล่ยนนั่นะเป็นต้นเออมันเรี่องยุดธ์บ่ได้มันจิเกี่ยวจรงเหียนมันจะทรับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพือดีคือตัวนี่แหละอือถ้าคนทุกข์แต่ไปหาซุกถ้าว่าซุกแกลับมาหาซุกเหียนไปเหียนมาถ้าศาสตราสาจังสอนหา่อยถ้ำมันห่ีเป็นสองดึกดื่งทั้งหลาย เป็นของหยุดขึ้มาอยากค้นจะจะรู้อยากคน้นจะเห็นหามันจบวันไหนหามันสินบนไหนบนนี้เป็นอย่างมันจะพ่อโมเป็นเมื่อมันเต็มโมเป็นของเต็มมเป็นอยากให้มันเต็มเต็มมันก็เต็มโมได้มันเต็มบมเป็นคือองค์ปุ่นมันทะลุอยู่นี่ตักห่ามาเอใจอยากให้มันเต็มเทใจวัดมือมันจะโมเต็ม มันเป็นอย่งมันยังโมเต็มเรื่องมันเต็มบมเป็นมันจังโมเต็มน่ะที่งทั้งหลายทั้งปวงที่การอยากหายมันในตามศาสนาอย่ากให้มันเที่ยงถ้ามาทั้งหลายถือพระองค์แสดงไปนั้นท่ันวอเลยแสดงนอกเหนือจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายที่ร่วงไปวันไหนมนุษย์เห็นได้เห็นได้เห็นได้เห็มอยู่ใดที่ไฟไม่ชอบไม่รั่ เน่ตายใน่าวจ่าเ น, น, น่ใจใน่สกุลหลังใจเนความสุขเน่ความสุกข์น่ชีวิตของจัตทั้งหลายที่เป็นโย่เนโรกเองมันเสี่ยวมันท่านอยู่จังสัน่นแต่ธรรมะเป็นโมดิเอาไปไส่โดิเอาไปลายม่านเนือ่างจิตขอกเล่าช่างหลายใครหูชักของที่มีอยู่ในเล่าแล่าแต่ของที่มีอยู่นอกเล่าของนอก เล่าคือนอกอย่างคือนสมบัติพัฒนานเต้าของเงื่อนท้องลูกเต่าเล่าล้านอันนึง่งนั่นคือว่าของนอกเล่าของในเล่าคือสา อ, อาวัยวะคือสาแสียตาหูจมูกจมูกตายทึ่นี้เนื้อสกุลหลังกายของเล่านี่เบียดกว่าของในเล่าทั้งของในเล่าเลยแต่ทั้งของนอกเล่านี่บริจิตต์ของเราบริจิตต์ของเรา เป็นทัภาวะทั้งหลายเกิดเมาจากสีจากวัใจใัยแล้วก็หายไปท่านบอกว่าคือการกำลั ง, างา้างมา่อดไปเนี่ยข้าเมื่อมาสูแ่แสงพาทิศเดี๋ยวก็ร่ายหายไปเป็นธรรมดาจริงสิของนอกเล่าหรือจริงสิเป็นของในเล่านี่แหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาใส่ใจว่าเป็นตัวของเราแล้วก็เป็นของของเราอย่างจริงจัง ม้วนใแบงไหลจักหน่อยม้วนแงไห้ืนจักหน่อยในแบงไห้สังขารจัหน่อยวเอาดอย่าว่าเป็นเหาว่าเป็นของเราหมดมี่ของใรมาอืควจริงๆเอานะไมาหวงเพาะไันวัดนนล้วี่ป็นของจัดหน่อยหรอกมึียงงเสียเาเดียกว่าเราหรือเียกว่าของเรานั่นเป็นของจมุต ตาเต็มื th, ่อมาเตของเลามันโดดยากโลดว่าโดดหักมันโดดสั่งมันโดดคือตันจับหมอไว้อยู่บ้านเทนั้นเองขาหนอยู่านตลาดสนสันมันแฉกว่าสันห้องสุขุมวิทสุดท้ายขาเต็ื่อมาบ้านเท่ไกลยันต้งล่างแสกจะโดห้ามันโดดเพราะไม่ยังแล้วเพราะปัจว่าหมอเท่าแต่เมื่อมันยันอยู่ตลาดของคุณมัดดสบายอยู่แค่เท่านั้นเพราะบอกปจว่าหมอของเท่า หูลูกเจ้าเล่าหลานพี่สันนั่นแหละจังมันมาจะใส่เอกมาเกิดหน้าห้าวสันว่าเขาบอกเกิดจห้าวเพาะว่าดุาตัวเรหลอกดุฮกก็ว่าดุราโดนท้าใว่าจะกุลดาดุราจนะดุกีสมมติว่าระบบุดจะเชื่ออังกฤษมาจะดุราอยู่เดียว่วยจะหองโเ้าจเื่อดุฮก็จะาดุราอยู่โมเสกจเชื่อดุแงก็จะแยงบานจะทำอะไรจะใช่หรอโควิมาอยู่นั่งว่าลูกโตเท่านั้นโดเอาแล้วบานี๋ขึ้นทุกในแต่บานน เจ้บ้านเหนเจ้าอยู ma, ่สแต่ชุ that, you, whom, or friend, or <that> ังสบายอยู่น <that> ี่หละมันว <that> ่าเป็นบางเฮ้าสมุนตาของเฮ้านี่นะเออน่นชื่อกากวยด้วยงัวเนี่ยอยู่บ้านเขาน่ะแต่นแรกเห็นชื่อพเจ้าทได้เราการชื่อมื่อวัใสุ่ดเขาเลเกล้ยงยากินเอายาบานเกิดห้ามเกิดแท่งเกิดทุกข์กันเนี่ยเพราะเกษตรงวเฮ้าของเฮ้านี่มันเป็นบางเงนี้ คันต่ใจว่า้องเขาใชแล้วเราบัยังคนได้หลอกอสังขารอย่ที่กันตใจว่าสังขารเราประจันกันคือริวารคนไหต่อใจว่าขาเข่าแขนเข่าหงวเข่าขาเข่าคล้องเข่าแหงอะไรบ้างจนไม่โอกาสที่จะไปสังเกตเลยหมดปอดอมแล้วมอดลมอะหันละมือนีกไปมันคิดว่างางนีมันเกิดเป็นยนี้ตอ่อเราบนนงสือปฏิสัยน้นท้าสั่งมันเห็นมายึดยิ้มยากนาสั่งมาเป็นข้อเขาเดียวนี้บาตัวเขาเดียวนี้ ไอ้ว ค, คว่ำจีิงธรรมะสี่พระพุทธเจ้าควรสอนให้เล่าหัวจักของเล่าหรือตัวเล่าของนอกเล่าหรือของในเล่ า, าตามธรรมชาติควน่นจริงๆผลคือ ส, สุดเดียวก็เป็นตามควมเป็นจริงๆอี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเล่าทั้งหลายสั่งเจ้าไหนมาสอนให้ลูกสภาพะทั้งหลายเป็นตามค ว, มนวม็นจริงๆเนี่ยมันจะเื็นการตัดเยวอืม โหวมันคอยค่ายออกันท kind of ังซ้ายมันจคอยคายเมันอกขันวนีไม่ใช่ขันกับพินาคนี่ขันให้ตึงเยแน่นวแ่นนีหัวนอนขาดลเออึงขป้าจันทนยนี่นี่ใหประกันจสาราหัตทั้งหลายตามธรรมชาติงทั้งหลายานี้เ่ยวแตือหัวหัวธรรมะธรรมะธรรมะแต่ชื่อธรรมชาติอันนี้ี่มันอยู่ มะงธรรมชาติอะไรเงี้ยนี่เป็นไปเลยธรรมะอืมธรรมชาติอันนี้แหละมันเกิดมากแล้วมะเจียงธรรมชาติอันนี้สอนธรรมชาติพยานคิดใจของเงาเนี่ยเกิดเสมาแุกคนแุกคนมันก็อยากได้ห้องพันกษัตร้างมันงก็อยากได้ลูกเต่าเราหลานจะเกิดมาก็อยากได้ทักษะวิชินเกิดมากเป็นธรรมชาติอย่างคิดวิดญ่านเกิดมากมันอยากได้ช้องเอาวิ่งย่านหรือธรรมชาตินะม้าหัดให้มันดูจากธรรมะให้ม <HHH> ัน <t> ด <rim ation> <t rim> ูจากเคิด ลูจักซื้อดูจักบาปดูจักหุนเรียกว่าธรรมะภาหาสาโคเล่าสร้างหลายองคักจรสร้างหลายเรื่้แล้วมันก็สือมืดคือนาสือนาคือเนื่อยม้อนี่มนผักมอน่มีบอลอนมอนี่มวนเดี่ยวเศร้าเสื่อเดือนคิตใจเฮาน่ะเรื่องข้นองค์จักธรรมะล้างสร้างล้างทุ่งล้าย หักหลายผูกหลายมัดหลายคนสมืนอยี่ด้วกันย้อประสาทย้อนจรทั้งหลายได้นี่บอกยัง่าโอ้ปวดหัวปวดหันปวดอบาคดปวดหัวไหมปวดหัวเนี่ยย้อนหนึ่งคนโลกประสาทมันจะเป็หลายนะเอ้าใส่หัวนีเพราะว่าเจ้าพรจะมีห้าบัวใส่หัวป็นเยอะ เอาใส่เลมันงางใส่เลยมันเย็ใส่มันท้ามใส่จนแตกจนเทใส่จนเน่าจนนุ่มประสาทอื่นใส่หัวไหลเพราะยังหยิบเคื่องมหะจักพักพมหะจักพักจักพรมันหนักโมหะจักเอาออกจากว้านเจ้าของถึงยจะเาออกเพราะโมูะจักว่ามันหนักจะทิ้งทิ้งใส่จังไรนี่เดียวจะเอามาใส่อยู่คนเนี่ยมันจะหนักคนเน กว้มรักลูกลักล้านรักส ah ึงรักของรักเงินรักทองอย่งต่างๆนี่คือหลักโมคือภาสีแดงสาเบาโดยการทามาให้พิจารณาคิดแค่เนี่ยเดียวว่าให้มันเหนื่อหรลายมันส่สบายที่น่า่าสีแดงโ่เศราจะเสือแตมันให้มันแหงว่าที่น่าให้มันจอาเมืนแต่ฟางกันแล้วม่เศร้าจะเสือมันก็ยังติดตายแน่หม่ในี้เนี่ยโม่หัวจังบนมันหนักมันหนาเลกไม่ไปอยากให้มันเบาแตเอามาเพิ่มอี ควบใจมันไใส่จ hmm. ิตเรื่องเพราะที่นี้ธรรมะที่พระศาสดานสอนม่ลเงินเรื่องของวัตถุนะมเงินเรื่องของวัตถุเรื่องข้าในจิตเรื่องวัตถุห้าเนี่ยถ้าเห็นเด็กจะดู้ดตาของห้าเรื่องข้าในจิตเนี่ยเมื่อห้าเขาจะเห็นแบบเบาเบาหลดเบาลายออย่างห้าของห้าวสี่อัน ท้องห้อสีอะไรก็คือหลสีอะไห้องสีอะสรนักใจรู้ปวดหัวรู้นักใช่ไหมทีนี้มันเป็นัะเพราะว่าของเรามันเสียอยากเห็นมันบ้เห็นทีนี้าไปหาไปหาไปสันว่าเห็นมันก็นักใจรูะ ต่เร่อนี้ทั้าว่าลูกเท่าไ่แต่ทั้งบานี่ยแต่แงบ่คันเห็นทัานอยู่เบาะต่ท่าวดหัวกับเจ้าตาบุเห็นอกใจมันเปล่นก่อนเขาได้ญี่ปุ่นกับเขาอยู่ฝี่เ่อท้าว่าเขาได้แต่ละวันแต่ทั้งวามีเรื่อว่าเด่ยนตามันเห็นมีธรรมะมันเป็นเรื่องจริบเป็นเรื่องประทุทุกทิทุกยางชื่อกันใช่ใม่คิดเราทั้งหลายแต่ละลูกจากวาซินีนันเป็นโทษ ข้อละเจืหูจักโทษมันยานจีนจางเหนือละโดยง่ายๆหอกมูลละบาหนักันโมหะจักเดืองของมันมันทนักละบ่อยันเดือดหูจักโทษของมันน่ยมันเศร้าเลยมูลมันเศร้าโดยละขันโมรูจักโทษของมันนี่มันก็นักอยู่หันเนี่อมูลที่สามีึงทั้งหลายทั้งกว้างนั่นสาเล่าดูจักสมะเราจะไปได้ผลของไปถึงเอาไว้ที่เต่าเนี่ะมันก็เต็มอยู่ที่เตามันนั่นไง เจมันเลียนไพยในจิตพวงเฮายึดเช่าเจอบริเตยยึดชจอบริเตยไม้เจอบริเตยมันมันเจอมันมันเป็นทุกข์เป็นโทษความเห็นของคนเราทั้งหลายเิดจากมาอะไรมันจะปล่อยได้มิว่างได้ในการยึบการไข่ในการใดการเตียงมันจะบกฤษณ์ดื้นหิหลงในิ้งทั้งหลายเลาวนั่นเนเกินไปเมื่อถ้ามันได้มากใส่มันได้มาเบืง Ert, at, เม <tr qualidade noise> <ad> ื <ği substance> <forever> an, an, ่อถ้ามันเสียกระแสมันเสียกระเป็นธรรมาของมันของมันเป็นมีอย่างจัดถ้าเราเห็นอะไรจริงแมันก็สบายเลยเนี่ยได้เป็นแน่กัสิเป็นยังเสียเปนแน่กับสิเป็นอย่างของมันเป็นอย่างจัอันนี้ปรเทมัสร้างเ่นไปนสร้างเปลนไปเาะประเทมันเป็ี่นใหม่ๆอันนี้ของเป่มาจะไสุดวัเข้าเกิดมาในโลกมีมาใหม่หมดเลยมาเห็นใหม่กัชื่อของใหม่ก็คือดอกตังสิทธเกโตเป็นภูมใจอันันเป็นของเก่ากับองจัก มันเป็นเรื่องของยังสั้เรื่องโลกมันเป็นสิ่งสั้นหาข้อมุลอันเดียวมันมีรอกหาข้อมูลสบายอย่างเดียวมันมีมันในคนยังสั้นเดียร์จังววาเขาพูดจาวคนสอนน่นเป็นเบื่อมันเป็นกานสอนให้ออกจากทุกอย่างอย่าไปมันอย่าไปหมายมันหลาอเป็นวายยังสั้นเล้เอาอห้เราเห็นธรามาเรื่องโมนีทั้งหลายเรื่องท้ายในสัวท้องเจ้าของหยุด มันก็จะบอกเสื้อเต้าเนี่ยตาก็ดีหูก็ดีจมูกดีตายทั้งหลายเหล่านี้แหละมันก็ความเกี้ยนไปเกี้ยนไปตามธรรมดาของมันนั่นแหละเอามันไส่บอดดับวามันบอฟังคนชุดๆมันก็จะแยกกันไปที่กันเลยม้วนดินเกิดเป็นดินม้วนหนาเป็นนาม้วนนามเป็นนามม้วนไฟเป็นไฟม้วนลมเป็นลมมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันนะจ๊ะมัวจะของไถ่หนอกของไถ่หนมันก็จะเป็นไปในสักระยุ่ใจเฮ้าก็คือกันที่มันมีอยู่ตัวมื่น ของหักเจ้าของสร้างนู่้น้ำตาลเนู้มืออรเครื่องหักเครื่องสร้างเครื่องยเครื่องัวมนั่งบ่นว่ายอ้จสิตลอดตามตรอดเวลาฉะนั้นสิ่งวิชาของน่ามารถสืยูสบายมันจีบโต๊ะนรกจีบศีลจีบศาสตร์นะแตของเจ้าสิแต่เป็นเจ้าสิพระพุทธเจ้าทั้งหลายคนสอนน่ยมีความรู้เท่าตามจริงของมันใหู้กทั้งสามอย่างนี้ดูโลกอนี้สามธรรมชาติ์อันนี้แต่ว่าก็สบายสงบระงับสันตว อาจารย์ไพ่ในการนวลาึ์หาโอกาสที่ําอะไรเสมอไปให้คนเราสัญหาการหาเวล่าอย่างเสียแต่การวันตอพวันซาให้พักกัรตกอกต่างใจทั้งาทั้งเน่นทั้งหยาตทั้หาขอวัดนนึงไว้ในใจจะคล้องให้มันได้เพื่ออหาสคือติของเราย่างดีผิดรุดนั่นอันนิ่งเล่อให้พักการท่ำหาใจหายที่ทีนี่อ้าวจภาวนางั้นกระางดอกทีนี่ก็ พ่อขาดพ่อห้พ่อหน้าเมียบานพอเงื่อนกับจ้างไปสื่อสั่งอันได้เต่าตั้งเครื่องมาการที่นอนเหวี่ว้ป้าทุกวันเต่านิสิตสั่งใจซักบาดใส่ท่าทุกวันเต่าแก้ยาสิเตรีมเตรีภาวนาร่วมอันนึว่าให้ท่าใจให้ดีดีหน่้ใ้เสียงง่ายก็บอา ไปเสียมาปล่อยมาวามากระสบกระชังว่าวอื่งมันบมดีจะเอาเชได้ดีนะ่านท่านใจหามันดีมันยินสามเดือนทําใจห้ยดีนั่นคืบอกน้ำหมูน้ำมานําเป็ดน้ำไก่กระชงมันจะหายกับว่าวมันเอาอะไรมันดีแล้วยินมาต่อไม่ออกเขาไอ้ท่าใจห้ดีน้าดูน้าร้านน้ำหวานน้าเพือนมันจะเกิดเกือโมดีมากก่บว่าวไอ้เอาเช่อย่างนี้ตักใจว หภาวนาหนึ่งดันถ้าว่าหายแดีบอกมาโดดว่าดีโดดมันจะหายเห็นมันจะหายอยู่รังว่าดีดีดีว่าก่อนมาโดดอยาให้มันหายก่อนยินบาว่าก่อนมาโดดภาวนาก่อนมาโดดมันจโปวดมันจะหายแง้มือเต่ามันอ่ะแร้งจะตังให้ว่าดีดีดดีดีรัหนามโดดมัน่มดตัวหรอกเน้ออันนี้ดีสุดภาวนาลวให้เอาความมาโดดอยาให้มันเอากวาม มันเส other, Tolkien, <Yes. S 1> ียหายหมดว่าดีควอนมาเลือยหมดว่าดีดี้นําำเขาโดดเล่นออก้ามาโดดเออพอออกไม่ออกเข้าช้าได้นั่นเช่นคนในภาษาดีที่สุดเนีนจะเนี้ยะบ่หายแบบดีหนึ่งเนียนนี้คือพี่จอมดีเขาใจว่าไม่ออกเข้าตอออกเข้าไม่ออกเข้าทุกทุกคนนั่งเล่ามาเด้อเปล่น้ำก้อยน้ำวนน้หมูนน้ำมันน้ำเต็้นน้ำไก่น้ำหลวงน้ำ้าแต่้างเลี่มันเสยหามากว้าออกงามันโดดเนออกงานมนโด รีดี้ีดีดีไปเรื่อยๆตัวสามโอท่านกัมโนดเสกษากำหนไหว้โอ่านี่คือว่าข้ามจุดนี้นี่คือว่าภาวนาพูโทษด้กันนั่งร้องวังอยากจะไปวรเดนได้ควดีอีอย่างนึงนะจอมโนตเถอมันจะ่ายตอนนี้ผว่าดีตอนมันจะเศ้าหรอกหายมันโมยุรักเอาให้ภาวะมันตดีียวภาวนาขั้วดีภนาขั้วโกดหรือขัวโมโกดภานะขั้วหายหรือคั้วโมหายนั่น ชนะข่วง ส, aspberry, ส, ส, สีชนะเหลือข่วงหายชนะข่วงหลงเหลือข่วงโหนี่ชนะข่วงเสียขันเหลือข่วงยาญอันนี้เอาขั้วในฝากเป็นขาชี้กรโดดเอาคั้วในฝากชางโรยแรงยาเตะสมันยาย็นะสตมันสียบดีนว่าดีดีดีดีดีโดดดีโลดนั่งขับมีโดดละตัดไปโดดในภาษาหนึ่เล่นตัหนามันโดดน่คนเราภาวนาปัันเา่องขวามือไหนรออโด ได้พรรษาหนีศิวะได้หายจะเชื่อมี่ออกเาเอาได้หายพรรษานีนาว่าปันหน้าเดียวๆีนึงแล้ววัดใหม่ัดทอิโลาบายทีหนามากานี่หนามาตยามมันีที่สามตัวที่มากแต่เริ่มีท่านหนามันายดีว่ดนมเต็มสายปัดจ โมเดห้าโมเดโอ๊ดว่ยล้มเป็นอะไนเป็นบุญเป็นกุศลเด์ึ้งจิตใจค่อนของเป็นได้แต่คนไล่สื่อสั่งใจว่าในพนสานี่อ่าเจียมาทำโมโบตถนสี่วัดจะเอาสี่วันเอาวันไหนกระซังการทำมืนบริษัทดอกมันสรววคนและเกษมลหันประกันสั่งโอ๊สั่งใจดีตลอดตลอดพรรามเดือนโอ๊ดเอาให้มันได้ แตงเคยห้าวหายาห้าวหลงมาสามเดือนทีเดือนนั้นก็ยังเหตุไได้ห้าหายนาทีเดือนหนาเดือนทคมตัวมาเท่านั้นเดือนหอกเะแต่เหตุได้ช่างช่างห้าวจ่บองตาดับห้ายังเหนั่นไมได้อันนี้เ้าวา่างคอันนี้าง้าองาคมดี่สามเดือนมีตะกอนยังเห่ได้่งช้างสอนใจจะสอนยังส้บรื่อยไปให้พระจารย์ดีให้พระกันตระอกต้ะใจ เนียนว่ามาวัดก็ดีมาบ้านก็ดีวันนี้แต่จังให้พักกันอาวัดไหนน้ำเจ้าฟองนี่มัไม่ออกแต่ไปหงสาไปนี่ลงพ้วกไปตั้งวัดจึ้นหันนรกแต่เจ็ดจูเรศจินยี่นี้ไปตั้งวัดต่อยขึ้หันโดดวัดขึ้ว่าอะไรแต่มันสิหนูว่าบ่อยหนูแต่มันสิดีมันสิหายมาบ่อยห้างไอ้ว่าดีดีดีได้ไอ้ไปตั้งวัดที่นี่เพื่อนก็ได้ เนอวันนี้มันเสียหายเจ้าตังวัดเจ้าพนันละเห็นหมหน้าเ้าบวานเห้าหน้าเห้านั่นวันนี้ส่วนใหม่มันรัวมันหกอะไรแห้งเห็ดไทยแห้งงามเห็ดหน้าแหงงามัวดอือวันนี้มันหายเจ้าตังวัดเจ้าันโดดมันสิโว่เึ็นว่าจะยุดรีดมีไปเรื่อยๆโดดตั้งเจ้าพนันเจ้าพนิวัดเนอเอ่อมือว่านปล่อยยุ่าดฟาดยุ่มวันที่เ้มังรับษามันไม่ได้ผลไนไปไหนหรอก เมืมันก็พ่ายอย่างตั้งชิคานโดจะให้มันขน่ได้น <inger> ี่อะไรนตอกอัดมันโดทันแล้วมันสิโรยเมื <bling> ่ไมันสิโดดเยี่ยมเมือไรกย้ำมันกมองวมื่อนั้นจะให้มันเคลื่อนไปได้งานบนปฏิบัติั่นแต่วัดอืมนะสนใจบรีเ่อไเม่วันตัวพงศ์ติดภาวาอืมเมื่อวันภาวามันโมูจัวาดอวัตถุเห็นเงื่อค่อ่างกตัวไหวในบนขาบนขาเงื่อนกี่วไหวในบ่าเงื่อนกตัว อืมแต่เต็มมากกับปฏิบัติเช่นวันอ่านเนโลดเช้าเน่ยนียง้เนม่วะโ่วมันเอาไปกินพรแหงแล้วั่านเนียเยอะได้จัง่ามาจเหนื่อตัวจะเสื่อมแล้วของที่ยุ่งเอาไปกินเ่แล้วอืมให้ระกันสั่งวัดต้องไหวัดส้องชงานช่วยนห้สติมีสัมปทัญญาที่ความหูุดือความคิดสอบอยู่ในใจเสมอนั่นอันนั้นมันเกิดเยอะมากแยู่งผมมันโดน้องหูจักจัเสว่าจได อันนี้มันท่านมันหนึ่งเกสาวมันนมันกันแล้วกันตอนนั้นแล้วเยมันใชมไหมสิสิมันท่านมันเจาเสือสักว่าพ่กที่ว่าท่านเราเป็นใครดะประธามันเสือเสร็จวาระอจักปฏิบัติเด้อไมันดูพนได้หมดแลมางแล้วเสือมันเสือวนไหนระงับนเมื่อห่างเยอะว่าภาวนามันเต่าท่านมันแยกสิขจว่ามาภาวนานางรับจาอยู่ท on. ่วัดหามีวัดไมใจของสมือุกทนตุกทนนั่นสะสมสวา เล่าเป็นพุทธบริษัทไม่ชวนธรรมะและไม่ชนที่ประพฏิบัติโมชนโมชนบนปฏิบัตินั่งเยี่ยตลาดแต่ปฏิบัติได้ว่าจะไหนมันแหงวนตัวไร่เนี่ยแต่แหงยื้อฟามผู้แล้วอั่นยื่ตลาดแต่แหงยืปเชียราอย่ก่อนั่นแต่ะาเชียร่าข้ามปณิย า, ยายนหฮา น, น, นาโรดเจ้า ปริญาติปริญาโทษปริญาเอะยูฮันเออนี่อาจารมาเห็นยังสั่นไปเบิงยังสั่นเห็นยังสั่นเบิงยังสั่นเห็มันเกินนันเป็นยูฮันเออเดี๋ยวพวันหน้าน้ำันเดีวพวกรันเดีพวกรันเิดปริญาว่าเท่านั้นแหละอืออาจารมาเคยไปร่วยแบานเดี๋ยวไปตลาดเดี๋ยวจะไปร่งพระบานอือขันไปตลาดมันเห็น่วนร่วมร่วมไร้เชิงร้ประการเนี่ยม้วนกันยูฮัน เป็นวิธีพูดวิธบวกผันไปร่องบาลนี่เป็นธีแบงเออคิดหยาดใต้เนยคิดผ่อนบ้านเมี่ยคิดเอาไปแจ้งเหนแจงตัวายอยู่หันเอาเครื่องไม่ใส่ใให้้าเอาแฝง้าคนมนจาไว้ใจดยนางขันตังดกันเพือเียดกเหยงนเนี่ยในว่าจัไรมันเดโมเป็นตัววนแหลแบงแบงหนาแบงดังแจ๊กเก็ตไฟวิโย นั่นเปนวิทีหาอือเไปอไปไปหสุเอดรงลักึดน่ะหอดซุดวิีรบรไม่มีวันันนอนที่นึ่งวันหันเชงมืลูกไปร้านขายอาจาระเอาอันนั้นเนี่ยไปหาหลายจะหอดคเนีหอดงลับยึดคนเนี่ยบึงุดโดจะตไปโดนสบงไปอตลาดสมันมันม้วนบ่หัชักเป็นชักตายอยู่หนึงอือแต่จะอดงพยาบาลแยงนะ พ้นหน้าพ้นหลังในบา้านไหอดีที่ยกยึดศรีเบ็ดเบื้อหนนี่อันนี้อ ม, มาพิจารีาเอ่อนี่แล้วพีจารีนานี้วัดมีชื่อวันพ้นตายแต่มีวันพ้นเป็นมวันพ้นตกแต่มีวันพ้นหล่าเรื่องบนันเพิงแต่มีวัดเท่าสที่จารีนานักปฏิวัติถ้าใหวเสีะคนนี้สัญญาอยู่ปร่อยู่ทั่งก็จะมีธรรมะกะอม ใหม่สั่นสะจอได้คนมีปัญญามันง่ากกับทัดได้ใหม่ว่างเก็บได้สร <swag main S 2> ้างใหม่เขาสร้างภาวนา้เาด้วยกันเนเง็นคนหตสบายเป็นภาวนาเป็นคนหัวกสบายภาวนาเบิงหูววัดคือเนี่มีเป็นผู้หายความคิดมดสุอย่างปจนี่มีเสียจคเสือผุดีีปัญญาใจนี้ปลาสดีแม่บ่าสดีแม่เนี่ก็ดีสบายมดสุดอย่างพอมีจะ้หายมีเป็นจริงหายความรู้ความเห็นเราบัดถนั ก็นพระพุทธเจ้านะดูคิดแต่ทากฏบัจวนธรรมะจิโหธรรมะบัจฉวนสิเวนธรรมะบัจนพูดธรรมะบัจวนเพราะมันบลุดหรือป่วอยากเลยธรรมะใช่มันได้เขาออกไม่ออกเข้าเนี่ยทีภาวนาไม่มาเลยรู้ง่าอือใ่ไหนี้จะทวารอีกโจ้นี่จะทวายเยี่ยนโจ้ด้วยไหนแต่พวกเราถ้ากเป็นคู่สอนเราจะเสียเลยนี่เป็นคู่กันเลยเนี่ยไหนที่วัาแห่งใด้าหันทวารดีสวหัว แสัเขาพ่อผู oh, so so ้ม you know <h atur cringe> well, ัญญาเสนมันเด็กคนอยู่นีปัญญาจะไหนจียงสันมันมีปัญญาแะมันม่ได้หนุกคิพระพจนเจ้ามันหมดถึงขุนประพูนประทัมประสงประชีพศาสนาใจเป็นติฟึ่งถ้าถึงุนประชิพศานาเป็นติฟึ่งเนี่ยโอ้ยมันสบายเป็นผู้มีปัญญาธรรมะกระเห็นธรรมะกระหูเบาธรรมะกระไดเพราะมันบุกคิดเนี่อือผู้มีปัญญาเหมือมือนธุกิจธุรช่างผู้ที่มีปัญญามันกุกระโต ไปสบาสบายอยู night, pues ่นเรืสบสงบระงับดีดีดีนี่เจียดีดีเดือดมันบมดีมันเดือดเขาคืดเรามึนเขาคืดเอาเขาเปลี่ยนเอาคืดบางข้าวย่างสีิดย่างถ้เยกเสียเาย่างอ้าย่างไปคนเดียวเนี่ยฟนตัวย่างเขาย่างเขาย่างเขาย่างยพื่อนเลเนี่ยนี่ใช้ข้าวมาเห็ดย่างก็เาข้าวมาเห็ดเอาไงเรื่องอะไรเรื่องไทยคืออันนั้นเล เรื่องเสียใเช่นกันแต่พวนั่นกระว่าให้กู้พวกนี่กระว่าให้กู้พวกก้นที่กู้ังสี่กูก็ยังมีหุ่นพวกอมมันตั้งแ่าวันห่างเท่านั้นตัวอัดมีหนาเท่เนี่ยัวางแงตัวห่างแ่วงแท่งตัวหัวตัวงเป็นบ่าพราะตัันอันน่องจเป็นหนังละ่เนหายวุฒิพวกก้นนเขาไม่ยังห่างขนาดมันจะเป็นเฮานี่แล้วนี่สัญญาจะแต่จะนัายเนี่ยข้พุทธเจ้าของเราข้าพุทัตน์สวยมีสัญญาะ่จะเิเป็นัวลาย ้องในโลกก็เป็นของเราอินทร์สัมหรอกที่จะให้พักกันเอาไปภาวนาในภาษาเนี่ยพักันนอนไว้ในใจอยากพากันหายยินพักันเอาสิ่งที่มันหีกซะก่อนบัพท์มาไหนฟองยีหรือจะมาฟังอะไรเสื้อผ้าสีดีว่านั้นเยี่ยนดีเบอกว่าได้เสื้อผ้าสีมันแต่ถึงเขห็นดอกมันหมู่จักดีซ้ำเออเป็นละควอมตัวจังกันัตัวมันก็บ้าหมูจักกันเรียนดีอันตัวมันยังว่าเปดีเนยไปเมืงไห้มันหมูจักขวอมอดีค้อมตัวจังนั้นมันละไหนซะก่อน น่ะและวมันเจาตัวเมันเอันันันจะบ้านเออแต่เป็นว่าอย่า่านจิเอาละคนั้นเนื้อห่งาเยอะน่อานอาน่กรมันีกคร้ง่นอควตัวมันคิิดวอนบ้านตาังหาเบานีนะดอกกันคิคิดควดีเดอ่นนควดีดนถึงคว่ำดี้วเอาละบนเห็นปรากฏประทัประสงค์เบนงบน งันออกจากความทุนี่สนจะหาคนอื่ยังเมาอยู่ยังเมือกอยู่หรอก่แ่าย่างนั้นเลื่อนจะส่วนอมั่ีนั่นแก่หรอกมั่นเนอะหมากันต่างอกต่งใจในภาษาทุกคนทุกคนนี่สุดสุดเนี่ยพกานอนโววายทมาทำซ้ซ้อนไม่ใจจัดจะทำใหมันนีไปปฏิวัติได้ปฏิวัติเป็นแต่เพียงเฉพาะของบุคคลผู้ปฏิวัตินั้น ให้พักกันนี้สําลังกายนี่สําลังวาจานี่สําลังใจนร่พักกันประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาสิให้ท่นสาธานิสตลอดกานาทุกคน